ช้างกลางสงครามสมัยหนึ่งพระาศาสดาประทับอยู่ณนะกรุงโกสัมพีพระนางมาคันธยาอัครมเหสีของพระเจ้าอุทเทนเด็มฤทธิึงความหลังที่บิดาได้ยกนางให้พระาศาสดาเพราะเห็นว่าคู่ควรกันแต่ถูกปฏิเสธนางจึงผู่อาคาตในพระาศาสดาเมื่อพระาศาสดาเสด็จ มากรุงโกสัมพีพระนางทรงจ้างผูกชาวเมืองรวมทั้งทาสและกรรมกรรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงด่าบริพาธพระสมณโคดมผู้เสด็จเที่ยวเข้ามาในพระนครให้เตลิดหนีไปเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้ามาในเมืองพวกมิชาทิฐิผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนไตรเหล่านั้นได้ติดตามด่าพระศาสดาด้วยคำที่ด่าสิบคาคือเจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นผานเจ้าเป็นบ้าเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นวัวเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์ดิรัจฉานสุขคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังได้ทุขติอย่างเดียวท่านพระ อ, อ น, นุ์ฟังคำแล้วได้กราบทูลพระศาสดาชาวเมืองเหล่านี้ด่าว่าพวกเราพวกเราควรไปที่อื่นไปไหน อ, อ น, นุ์ไปเมืองอื่นกันเถอะ เมื่อพวกชาวเมืองนั้นด่าอีกเราจะไปที่ไหนกันล่ะอานนท์ก็ออกจากเมืองนั้นไปเมืองอื่นอีกอานนท์การกระทำอย่างนี้ไม่ควรเรื่องเกิดขึ้นในที่ใดเมื่อมันสงบในที่นั้นแลจึงควรไปที่อื่นอานนท์ก็พวกที่ดาเป็นพวกไหนหล่ะพวกชาวเมืองตลอดจนทาสและกรมกร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 ดังช้างสึกที่อดทนต่อลูกศรเพราะคนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลบุคคลผู้อดกั้นต่อคำกล่าวล่วงเกินได้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเส ร, ริฐในหมู่มนุษย์การตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังฉันได้เมื่อฝ่ายตรงข้ามสงบนิ่งทำหูทวนลมเสียการด่าอยู่แต่ฝ่ายเดียวก็ไร้ประโยชน์ ch ฉันนั้น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 เมื่อบุคคลไปอยู่ในต่างถิ่นที่ไม่มีคนรู้จักไม่ควรจะถือตัวเราเป็นผู้มีศีลจะมาพูดหรือแสดงอาการไม่เคารพอย่างนี้กับเราไม่ได้พึงอดทนแม้จะเป็นคำขู่ตะคอกของทาสก็าตามและควรสร้างฉางใหญ่ไว้สำหรับเก็บคำหยาบคายทั้งหลายผู้ใดในโลกนี้อดทนต่อถ้อยคำของคนที่ต่ำกว่าได้นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความอดทนของผู้นั้นว่าสูงสุด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 ไปอย่างสะสมถ้านึกไม่ออกในขณะนั้นก็ต้องไตร่ตรองหาคําพูดที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจให้จงได้บางครั้งถึงกับนอนไม่หลับมีเรื่องเล่าว่าคนแจวเรือไปได้สองคุ้งน้ําแล้วพึ่งนึกคําโต้ตอบไดอุตสาห์แจวเรือกลับมาตอบเขาอีกสองํามคำแล้วจึงจากไปลองนึกดูเถิดก็ได้ว่าบุคคลที่ทําดังนี้จะมีความสุขได้อย่างไร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 เราก็จะกลายเป็นคนเลวอย่างเขาด้วยการที่เขาด่าเรานั้นความมุ่งหมายของเขาคือจะทำให้เรากลายเป็นคนเลวทำให้เรากลายเป็นบ้าเป็นหมูเป็นหมาถ้าเราควบคุมตัวเราไว้ได้ไม่ยอมเลวตามเราก็เป็นผู้ชนะถ้าเอาความเลวออกตอบเมื่อไรเขาก็เป็นฝ่ายชนะเพราะสามารถทำให้เราเลวได้ตามแผนของเขาการที่เรายับยั้งตัวไว้ได้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 ก็ไปคิดวิจาร์คำด่าของเขาเสียก่อนว่าเขาด่าว่าอย่างไรอาจขอให้เขาด่าซ้มอีกทีโดยบอกเขาว่าเราฟังไม่ทันเพราะด่ากระทนหันมากถ้าเขาด่าเราว่าคนหมาหมาเราก็วิจาร์คำว่าคนหมาหมาก็คือคนยังไงนะหมายความว่าคนกับหมาสองตัวหรือหมายความว่าคนตีหมาหรือหมายความว่าหมากัดคน แล้วที่หวังหมาหมาอ่ะลูปหมาหรือแม่หมาหมาไทยหรือหมาฝรั่งหมาตัวผู้หรือหมาตัวเมียคิดแล้วไม่รู้เรื่องด่าสั้นเกินไปด่าไม่ถูกไวยากรณ์ไม่ระบุประธานกิริยากรรมไม่ระบุ ก, การว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตตกลงว่าคําด่ายังใช้ไม่ได้คืนเจ้าของเข้าไปเรียบเรียงใหม่ดีกว่าการหัดคิดในแง่ขำอย่างนี้ทําให้เราเย็นลงโกรธช้า